إن الحمد لله نحمده ونسعنه ي ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله على ا ل ل ه h u ل m a s م l l i 'ala Muhammad w ب 'ala 'Alihi wa a s h a b ا h ل wa man tabi'ahum bi-ihsan. ت l l a h u m m a innā nes'auluk al-huda wa al-tuqā wal-ʿafāfa w a l شكر الله سبحانه و تعالى นะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งเราได้มาเริ่มเรียนอัลกุรอานหลังจากที่ได้หยุดพัก นช่วงอีดิลอัฏฐะขอบพระคุณอระครับที่ทำให้อีดิลัฏฮาของเราก็ว่างว่าง a l ุ a h Subhanahu w จัดทำนะครับการงานที่ดีทั้งหลายในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตลอดทั้งปีถ้าเราบอกว่า ได้ผ่านอิดิลอัตฮาก็หมายถึงก็หมายถึงว่าชีวิตของเรานั้นเดี๋ยวว่าปีนี้ก็จะหมดแล้วปีฮิจรัษนะปีของอิสลามปีของชาวมุสลิมก็คือปีฮิจรัษสักกะระพอหมดอินดิลอัตฮาก็หมายถึงว่าเหลืออีกไม่กี่วันก็จะจบสุริยจักรก็จะเข้าปีใหม่เดือนมุฮัรรอมฮิจรัษสักกะระที่ หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสี่นะครับพอถึงท้ายปีอย่างนี้เนี่ยโดยความจริงแล้วมันไม่ได้มีอักะมีวกวาระพิเศษไม่ได้มีโอกาสพิเศษมันไม่ได้มีมโอกาสพิเศษเหมือนกับที่หลายๆ เราเว่ารหลายๆชุมชนหลายๆสังคมเขาทำกันอยู่ถ้าเป็นของเขาเนี่ยถ้าเป็นปีเก่าตอนรับปีใหม่เขาจะต้อนรับอย่างกระเริ่มในอิสลามเนี่ยเรามีวิธีการต้อนรับไม่ใช่เฉพาะปีใหม่ต้อนรับวันใหม่หรือซ้ำนะต้อนรับวันใหม่ส่งท้ายวันเก่าต้องมีนะต้อนรับเดือนใหม่ส่งท้ายเดือนเก่า มันมีวิธีของมันแต่เราไม่เคยมาทบทวนแค่นั้นเองเพราะเวลาสำหรับมุกมินมีความสำคัญมากไม่ใช่เฉพาะปีหรือเดือนหรือสัปดาห์แม้แต่วินาทีเดียวก็มีค่าต้องทบทวนอยู่ตลอดเวลาเวลอัตรีอินนัลอินซานลาติคุสริทขอสาบาด้วยการเวลามนุษย์นั้นอยู่ในความขาดทุนชี้ให้เห็นว่า เวลาสําหรับมุกมินนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าจําเป็นจะต้องทบทวนทุกวันวันนี้ทําอะไรไปบ้างพรุ่งนี้จะทําอะไรไปบ้างอันทำมดุลิลแหละนะครับที่อัลลอฮฺสุบคานะส า, าลาทําให้การเวลามันหมุนเวียนผ่านเพื่อให้เราได้มาทบทวนตัวเองแล้วก็ได้ขอบคุณอัลลอฮฺอันนี้เป็นประการที่หนึ่งที่อยากจะมาเตือนตัวผมเองแล้วก็ตัวของพี่น้องทุกคนนะครับว่าการที่เราจะหมดปีไปอีกปีหนึ่งเนี่ย พี่น้องลองทบทวนดูหนึ่งนะครับว่าที่ผ่านมาเรามีอะไรบ้างที่เราทําผิดพลาดที่เราทําบาปต่ออัลลอฮ์สุภาของเราแล้วเราควรจะขอขอพยโทษจากพระ อ, องค์ไหมสิทธิต่างๆของอัลลอฮ์เราทําให้พระองค์ครบหรื อ, อยังหรือสิทธิต่างๆของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เราลิดรอนที่เรานะไปละเมิดไปทําอะไรขเขาเนี่ยเราพร้อมหรื อ, อยังนะครับที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์ถ้าหากว่าเรายัง จัดการไม่เสร็จถึงเวลาแล้วนะครับเราอยากปล่อยให้เวลามันผ่านไปผ่านไปโดยที่เราไม่อยากจะทบทวนตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอัลกุรอานได้ห้ามได้ตักเตือนไม่ให้เราลงลืมทุกวันที่มันผ่านไปเนี่ยถ้าเราไม่ได้คิดถึงตัวเองเนี่ยน่ากลัวว่าหัวใจของเราจะเคยชิน จะเคยชินกับความความหลงลืมอะจนกระทั an, ่งมันแข็งใจมันแข็งกระด้างที่อัลลอรัสว่าอัลลัม يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد ف ق قلوبهم อัลกุรอานบอกในสุรทูลฮะดีนะครับบอกว่า ยังไม่ถึงเวลาอีกหรือสำหรับมุกมินที่จะให้หัวใจของพวกเขานั้นนอบน้อมต่อลอสุภาห์เนาะจะอลลรนอบน้อมต่อการระลึกถึงพระองค์นอนอบน้อมต่อคำสอนของพระองค์และอย่าเป็นเหมือนกับบรรดาชาวคำพีบรรดาชาวคำพีกวันหน้าที่ฟาตาะและอะลฮิมุลแอมบไม่สนใจคำสอนของล l l a ลอยปะละเลยจนกระทั่งเวลาผ่านไปผ่านไป เพกสัตถ์ผู้รมุ่งหัวใจมันก็แข็งกระด้างการที่หัวใจแข็งกระด้างบางทีเราไม่ทําอะไรเลยก็เป็นสาเหตุของการทําให้หัวใจแข็งกระด้างได้เพราะอะไรครับเราอย่าลืมว่าสังคมของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแต่สิ่งที่ดีทุกวันเนี้ยที่เรามีชีวิตอยู่สังคมของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแต่สิ่งที่ดีถ้าเราจะลองนับ สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานี่สิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีนี่พี่น้องคิดว่าอันไหนเยอะกว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่เฉยๆคือไม่สนใจความดีพูดง่ายๆว่าไม่สนใจความดีไม่ได้ทำชั่วแต่ไม่สนใจความดีพี่น้องลองคิดดูซิว่าเราจะเป็นยังไงความดีเราก็ไม่สนใจความชั่วเราก็ไม่ได้ทำแลวเราก็บอกว่าน่าจะมีปัญหานะ จริงๆเรามีปัญหาเพราะถ้าเรารู้เรามั่นใจแล้วว่าความชั่วนี่มันเยอะกว่าเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันก็มีอิทธิพลกับชีวิตเราความชั่วจากทีวีความชั่วอินเทอร์เน็ตความชั่วจากสถานที่ทางานความชั่วจากในตลาดความชั่วจากโอ้เยอะแย ะ, ย ะ, ย ะ, ยะมากมายเราอยู่เฉยๆปล่อยให้เวลามันเป็นตัวจาัด ก, การนั่นแหละเป็นสาเหตุที่ทำให้หัวใจของเราเคยชินกับความชั่ว ทีนี้เนี่ยพอเราจะชะล้างเอาความดีมาใส่เนี่ยองโมมันยากมากพอเราไม่เคยทำดีเราจะทำดีสักครั้งหนึ่งเนี่ยอูจะยกเท้ามาสู่เราสมมุติจะยกเท้ามาสู่เราจะมานั่งเรียนจะมาเปิดหนังสืออ่านจะฟังอาจารย์บรรยายเนี่ยมันรู้สึกยากเพราะว่าเราไม่เคยทำทั้งทั้งที่มันไม่ได้ยากอะไรแต่เนื่องจากว่าเราปล่อยตัวเองให้เวลา ความชั่วนี่มันมาหาเราตลอดเวลาในขณะที่เราไม่ได้จัดการความดีให้มันเข้ามาหาเราเลยความดีนี่เราต้องท่อาไปหาแต่ความชั่วในบางทีมันก็มาหาเองอันเนี้ยน่ากลัวเพราะชัยตอนมันไม่เคยหยุดชัยตอนไม่เคยหยุดในการที่จะทำให้เรานั้นหลงทางจากเส้นทางของโลกสุภาณนะจ๊ะล่ะพี่น้องต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยเราไม่ได้อยู่แบบไม่มีคู่ต่อสู้เราปล่อยให้คู่ต่อสู้ชกเราอยู่ตลอดอะ เหมือนเวลาที่เราขึ้นสังเวียนขึ้นสังเวียนไม่ใส่นวลไม่ใส่ชุดไม่ใส่อะไรเลยในขณะที่อีกคู่หนึ่งเดี๋ยวแย็บซ้ายเดี๋ยวแย็บขวาเดี๋ยวเตะเดี๋ยวเขา่าเราคิดดูซิว่าเราจะเป็นอะไรจบนะครับบอบหมดนะช้ำหมดเพราะฉะนั้นกับชาต่อนี่ต้องสู้กับภาวานัสสูก็ต้องสู้เพราะฉะนั้นมาช่วยกันทำให้กำลังใจในช่วงนะครับสิ้นปีแบบนี้ทบทวนตัวเอง ว่าปีต่อไปเนี่ยมันจะดีกว่าปีนี้ไหมมีอะไรบ้างที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเองความผิดต่างๆที่มันผ่านมาเราจะลบล้างมันยังไงอะไรบ้างที่เป็นความดีที่เรายังไม่ได้ทำเราจะทำมันได้ไหมนี่แหละครับชีวิตของเราชีวิตของเราเนี่มันไม่จบสิน้นมันไม่ใช่ว่าเราจะสบายในชีวิตนี้ไม่มีพอจบอย่างหนึ่งเราก็ต้องทำอีกอย่างหนึง่ง وإذا فإذا ฟัน ص บเราเรียนแล้วในะครับขอรับอันศราทธา فإذا فرغت ف ن ล ب و إ ل บ ربك ف ร غ บพอจบอย่างหนึง่ง<ม>ก็ต้องทำอีกอย่างหนึง่งอันนี้ท่านนาบีสุลต่านได้รับคำสั่งจาก ح ح อัลลอฮฺสุบฮานาอัลตะละปีหนึ่งผ่านไปแล้วระมั่นบอก็ผ่านไปฮัจจ์ก็ผ่านไปไอีดลอาฮาก็ผ่านไปเริ่มใหม่เริ่มนับคานวณใหม่นะครับ หลังจากนี้ปีหน้านี่มีอำนาจอะไรบ้างที่เราโครงการของเราในการที่เราจะสั่งสมความดีพระองค์ทรงทานอาลรนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับเพราะว่าเรากลัวเหลือเกินเรากลัวว่าประชาชาิมุสลิมจะจมอยู่กับความหลงลืมใครก็ตามที่จมอยู่กับความหลงลืมโดยเฉพาะลืมอัลลอฮ์น่ากลัววละตั้งูต่คลดี่นั่นสุลล่าละตั้งแต่ละบอกว่า อย่าเป็นเหมือนกับบรรดาผู้ที่หลงลืม Allah. อัลลอฮฺฟอันซาฮฺฮุอัลฟุซาฮฺเมื่อไหรก็ตามที่เราลืมอัลลอฮฺอัลลอฮฺก็จะทําให้เราลืมตัวเองการที่จะทําให้เรานั้นหายจากโรคลืมอัลลอฮฺก็คือการมันศึกษาหาความรู้การมันทําความดีทำที่ศรลทธา การหมั่นให้กำลังใจซึ่งกันและกันเหมือนกับที่เราเรียนในสุระอัลอาสุรต้องจำให้ดีนะครับสุระอัลอาสุร์ี่อย่างที่จะทําให้เรารอดพ้นจากความขาดทุนมีอยู่สี่อย่างหนึ่งศรัทธาซึ่งต้องได้มาด้วยการเรียนรู้อัลลาฮิาอัมานุอิละลิณ่าอัมานุนอกจากบรรดาผู้ศรัทธาเท่า น, นั้นที่จะไม่ขาดทุนการศรัทธาเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆมันก็มาต้องเรียนความมั่นใจในอัลลอฮฺสุบฮานะจัตละ ความมั่นใจในสวรรค์ของพระองค์ความมั่นใจในอาคราชของพระองค์ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันก็เกิดเขาเรียกว่าอะไรนะอปิ้งขึ้นมาไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วมันปิ้งเหมือนกับฝันไปแล้วก็เออมั่นใจในไม่ใช่มันต้องสั่งสมด้วยการการใส่นะการใส่การเรียนรู้การเพิ่ม إ ي م านด้วยการเรียนรู้อยู่ตลอดเมดแล้วประการที่สองเอาไว้สอละ ต้องทำดีต้องสู้กับตัวเองต้องสู้กับจิตใส่ําอารมณ์ใส่ําของเรามีคาพูดคาพูดหนึ่งของบรรดาอุลามะนะครับของอุลามะคนหนึ่งเขาพูดว่าละตั้อะไรนะละตั้งเจษอัลอซา ละท้าเจษณ์แม่หมู่ร์หมายถึงว่าอยาออต่อคำสั่งของล l oh l a h เนี่ยต้องต้องต่อสู้แสดงว่าการที่เราจะทาตามคาสั่งของ a l a h เนี่ยต้องอาศัยพลังวลลีนะเฮัดูฟีนต้องมจฮถือว่าเป็นการจิฮดและอยาอนแอต่อคาสั่งของ l l เาสั่งให้เราละหมาดอย่าออนแอในการที่จะละหมาด Allah สั่งให้เราอ่านอัลกุรอานอย่ารู้สึกอ่อนแอในการที่จะอ่านอัลกุรอาน Allah สั่งให้เราดำลึกถึงพระองค์อย่าอ่อนแออย่าเป็นคนอ่อนแอในเรื่องพวกนี้ว่าแลจงะมึมมักดูและอย่าหมดความอดทนต่อสิ่งที่ a ลอ a h ตาัสกำหนดมาให้กับเราสิ่งที่เป็นคำสั่งอย่าอ่อนแอสิ่งที่เป็นการกำหนดของ a ล l a h อย่างเช่นดิสกีได้น้อยเจ็บป่วยอันเนี้อย่าหมดความอดทน วันนี้เรายากจนอยู่สมมตินะครับอย่าหมดความอดทนอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ไม่ดูแลฉันเลยทําไมอัลลอฮ์ไม่ช่วยฉันเลยอย่างนี้แสดงว่าเราเนี่ยหมดความอดทนอย่าหมดความอดทนสักวันหนึ่งอัลลอฮ์จะต้องช่วยสองอย่างนะครับซึ่งสิ่งที่ผมต้องการก็คือตรงที่เป็นจุดที่เราต้องการตรงนี้ก็คือคําพูดที่เขาบอกว่าและการจะยาอ่อนแอต่อคําสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลกบะรต้องสู้ครับ นะแน่นอนครับมันเหนื่อยมันไม่ใช่เรื่องที่ว่ามาอะไรนะสู้น้อยไม่ได้ต้องอาศัยพลังเยอะบางทีเราก็ชนะบางทีฮาวานัฟสูของเราก็ชนะเหนือเราบางทีชัยตอนก็ชนะเหมือนที่เราเรียนสุรที่ผ่านม า, ม, ม, ามันอะไรวนะันหันนักเะวันหันวันหันนักเสวันหันันนนักเสวันิลนนวัหันฮาวานัฟซูนี่ต้องห้ามเพราะถ้าเราไม่ห้ามเนี่มนิ่มาเราไว้ตลอดมันจะล้มคล้มตลอด ต้องคุมให้ได้อ่ะพวงมาลัยฮวานับสูของเราเนี่ยนะครับนี่คือประการที่สองอาเหมลทำดีประการที่สามวะตาวะซเบลฮักต้องช่วยกันให้กําลังใจต้องช่วยกันตักเตือนนะวะตาวะซเบลซอบรีช่วยกันให้กําลังใจให้อดทนนี่คือกระบวนการที่ทําให้เหรานั้นสามารถฝ่าฟันความโกลาหลความวุ่นวายของโลกในยุคสมัยนี้ได้ก็ทำเลยละนะครับความอุตสาหะ ความพยายามของเราเล็ ก, ลกๆน้อยๆในการที่เรามารวมตัวกันเพื่ออ่านอัลกุรอานเพื่อเรียนอลนๆๆัลกุรอานเพื่อหาความรู้จากอัลลอฮ์ทรงสงสารและเพื่อเอาไปปฏิบัติเนี่ยเราขอดูอาจากอัลลอฮ์ทรงสงสารและให้ทรงตอบรับการงานของเราด้วยนะครับหลายสัปดาห์แล้วที่เราเรียนปีหน้าที่จะมาถึงเราก็ขอดูอาจากอัลลอฮ์ว่าให้ทรงประทานบรารักัสให้เรามากกว่านี้ให้ความรู้ที่เราเรียนเนี่ยได้เป็นประโยชน์กับเราในการในการที่จะเอาไปปฏิบัติในชีวิตจริงของเราด้วยอัลลอฮ์ทรงสงสารและ เอเมนบวอี้วันนี้เรามาดูนะครับอลบาสะสักนิดหนึ่งเป็นการปสมผสมมเลิกหลังจากที่เราหยุดอดิลอัลฮไปสุรษะบาสะเรามาอ่านกันก่อนนะครับสักประมาณสิบสิบสิบหกอยัอินชาอัลละอบสวะวล์สุรตูอาบสซะ พร้อมๆกันนะครับแง่ธรรมพร้อมๆกันอ้ ا งุบิลลอฮฺม่น์ชีรตานราจีบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหี بَسَ وَتَوَلَّ أَنْجَاهُ ء َ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكَّى ّ أو يذكر فتن فعه الذكر، أما من استغنا فأن تله. و ص د وما عليك إلا يذكر، وأما من جاء ك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرهم، فمن شاء ذكرهم، فمن شاء ذ ك ه م في صحف مكرمة. มรฟู عة มุต اهرة بأيدي سفرة كرام باررة الحمد لله นะครับ16ข้อนะครับเป็นตอนบทนำ แต่ว่าตอนต้นของสุรห์อาบสะคำว่าอาบัสะเนี่ยแปลว่าอะไรอาบสะวะตวัลละสุรห์นี้เป็นสุรห์แปลกเป็นสุรห์ที่นักวิชาการบางท่านเอามาเป็นหล th ักฐานที่จะไปยืนยันกับบรรดาผู้ที่กล่าวหาว่าอัลกุรอานเป็นสิ่งที่ท่านนบีมฮัมมัดลอมสลัมแต่งขึ้นมาเอง เอาสุรษนี้มาบอกว่าถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดแต่งขึ้นมาเองไม่น่าจะมีสุรษนี้เพราะสุรษนี้เป็นสุรษที่อัลลอฮฺซุบฮฺานาอูตะละตมิท่านนาบีมุฮัมมัดซุบฮฺานัลลอฮฺมีด้วยนะครับช่วงเวลาที่ถูกตาําหนิเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านนาบีแต่งเองแต่งอัลกุรอานเองไม่น่าจะมีสุรษนี้อยู่ด้วยเพราะว่าเป็นการตําหนิตัวเองจะเอามาพูดทําไมล่ะนะครับก็เลย มีการเอามาเป็นหลักฐานในการยืนยันได้นะครับในด้านหนึ่งนะครับอัลบาสะแปลว่าหน้าบูดบึง้งหน้าบูดบึ้งตึงนะครับมีบางคนนักวิชาการบางคนว่าอุลมามะบางคนก็มีการตั้งชื่อสุรห์นี้ว่าูุรห์อัลเซฟรารห์สุรห์อัลเซฟรารห์หมายถึงบรรดา马拉อิ ก, กัดเพราะว่าในในใ น, ในอายะ ท, ที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้มีอยู่ คำว่า bidisafarok safarok ตรงนี้แปลว่าบรรดามมลัยกะ ก, กลุ่มหนึ่งนะครับก็เป็นชื่อของมันนะฮะการประทานสุร้อนี้มีที่มาที่ไปด้วยหรือที่เราเรียกในภาษาอับว่า asbabunuzul ส, บบสาเหตุของการประทานอายัดหรือว่าของการประทานโซรอมีที่มาที่ไปอย่างไรเอามาดูกันนะครับในภาษาไทยก็มีบอกนะฮะคือ ท่านนาบีมุฮัมมัดรู้สึกไม่สบอารมณ์ในการที่มีคนตาบอดชื่ออับดุลลอห์อิบเนออมมีมักจูมอันนี้เป็นชายตาบอดคนหนึ่งชายคนนี้เนี่ยมีระบุในหะดิสลายฮะดิษด้วยกันนะครับถึงความเดิาของชายคนนี้อับดุลลอห์อิบเนออมมีมักจูมเป็นคนที่ตาบอดและเป็นม ز ز ุอาจิญของท่านนาบีสุลลัลละสลัมร่วมกับท่านบิลลัล อัลลอฮฺอานฮเป็นอฺซิหนนะ้ตาบอดจะเป็นวาอฺซิล น, นะอัลลอฮฺชาค <c oughs> นนี้เนี่ยนะครับมาหาท่านนาบีแล้วก็เรียกท่านนาบีด้วยเสียงที่ดังในขณะที่ตอนนั้นมีคนใหญ่คนโตจากมุชริกีนหรือว่าคนกาเฟร์มักกานั่งอยู่กับท่านด้วยซึ่งท่านนาบีกำลังยุ่งเหมือนกับว่ากำลังมีแขกอยู่แล้วไม่ใช่แขกธรรมดา เป็นแขกที่ท่านนาบีต้องการจะคืออยากให้แขกคนนี้เนี่ยรับอิสลามก็เลยยุ่งอยู่พยายามโน้มน้าวพยายามพูดพยายามอะไรแล้วอยู่ๆก็มีคนที่ไหนก็ไม่รู้ตาก็บอดคนเหมือนว่าเป็นชาวบ้านธรรมด า, รรมดาเข้ามาหาท่านแล้วก็มาเรียกท่านนะครับบางรายงานนี่มาบอกว่ามาเรียกร้องให้ท่านนาบีเนี่ยอ่านอัลกุรอานให้ท่านฟัง س ب ح ا า Allah นลละไม่ใช่มาเรียกแบบ คือต้องการที่จะรับอิสลามพูดง่ายๆนะครับเดี๋ยวมีมีมรายงานบางรายงานนะครับที่บอกว่าบอกว่ามาเรียกร้องให้ท่านนาบีเนี่ยอ่านอัลกุรอานให้เขาฟังสักนิดหนึ่งท่านนาบีเนี่ยพอเห็นคนเหมือนก็ว่าคนระดับธรรมดามาในขณะที่ตัวเองกำลังยุ่งอยู่กับแขกแขกระดับวีไอพเนี่ยก็เลยโกรธ ทำหน้าเบื้องใส่ไม่ชอบใจนะครับนี่คือคําที่มาของคำว่าอับสะอับสะวะตาว ล, ลาเขาหมายถึงท่านอับดุลโมฮัมหมัดราะตาลาบอกว่าใช้คําว่าใช้บุรุษที่สามในการพูดถึงเพื่อเป็นการตําหนิแบบทางอ้อมไม่ได้บอกว่าเจ้ามุฮัมหมัดไม่ใช่บอกอย่างนั้นเจ้ามูฮัมหมัดทำไมถึงหน้าเบื้องตึงใช้คําแบบอ้อมอ้อไม่ได้เจาะจงคือไม่ได้ใช้เป็นบุรุษที่สอง เวลาที่เราพูดกับคนมันจะมีบุรุษที่หนึ่งบุรุษที่สองบุรุษที่สาใช่ไหมครับใครที่เคยเรียนไวยากรณ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือภาษาไหนๆก็แล้วแต่มันก็จะมีบุรุษบุรุษที่สองก็คือคนที่เรากําลังพูดด้วยอัลลอฮฺสุบฮานาะสัละัลลัคกำลังพูดกับท่านนบีมุฮัมมัดแต่พระองค์ไม่ได้ใช้ตัวแทนในฐานะที่เป็นบุรุษที่สองเพื่อให้มันดูเบาบางลงหน่อยถ้าถ้าบอกว่าเจ้าเนี่ยหน้าบึ้งตึงจังเลยมันก็ดูหนักนะครับ เป็นการสั่งสอนนี่เป็นวิธีการสั่งสอนด้วยอย่างหนึ่งเราสามารถที่จะใช้ได้เวลาที่เราจะตําหนิคนอื่นในนั้นเราอาจจะสั่งสอนแบบ อ, อ้อมๆท่านนาบีเนี่ยเวลาที่ท่านพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีท่านจะไม่มีระบุชื่อโดยตรงท่านท่านจะบอกว่าเออทําไมคนกลุ่มนั้นทํางงทอย่างนั้นทําอย่างนี้ท่านจะไม่บอกว่าทําไมนายคนนั้นทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ท่านจะไม่ตําหนิอย่างนั้นท่านจะตําหนิแบบ ร, มรวมๆอันนี้เป็นนิสัยของท่านเลยนะครับท่านจะไม่มี คำพูดที่อยาบคายเป็นสุนัขของท่านอบีไม่เหมือนกับเราเราเวลาที่จะว่าใครเนี่ยเอากันเลยเอาไอ้ขึ้นมาก่อนแล้วก็จากนั้นก็เอากันเลยนะครับ้ตเต็มที่จัดเต็มนะเอาอุบก ล, ลาฮ์มินซาเลกมันคนละเรื่อนกันเลยนะมรารยาของเรากับมารายาของท่านนาบับีแล้วก็มารายาของอัลกุรอานที่อัลลอฮฺสุบไพรัตละสอนท่านนะครับอาบัะหน้าบูรวาจะวัลละหน้าบูรอย่างเดียวไม่ไม่พอ ยังหันหลังให้ด้วยไม่สนใจเลยเหมือนกับว่าอยากจะไล่ไฟเลยประมาณนั้นแต่ก็ไม่ได้ไล่นะครับแต่ว่าหน้าบูรแล้วก็หันหลังให้อายัดนี้เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าสุร้นนี้นี่ถูกประทานลงมาที่มักกะช่วงต้นๆของ อ, อ, อิสลามนะครับไม่ได้ประทานที่มัดีินะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยวายูต่างๆก็ยังลงมาไม่มากนะครับแน่นอนที่สุดว่าความรู้ของท่านนาบีเองเกี่ยวกับอัลกุรอานก็ยังไม่เยอะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกมาจากท่านนาบีในลักษณะแบบนี้เนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าอัลลอฮ์สุภาอัลอาลัยังไม่ได้ประทานอายตดบางอายัดที่เกี่ยวข้องกับการมรารยาทต่างๆที่ควรจะมีในในเพราะอัลลอฮ์สุภาอัลอาลัสอนท่านนบีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่แบบทั้งดุ้นทีเดียวสอนทีละทีละสเต็ปทีละสเต็ปทีลสเต็ปไปนะครับเดีจะบอกว่าสุภาอัลลอฮ์นะครับ عبس วัล ا ل อันจุามาหน้าบึงและก็เป็นหลังให้เพราะมีคนตาบอดได้มาหาเขานี่เป็นการตำหนิจากอัลลอฮสุบฮานาะตาลานะครับแต่ถามว่าการตำหนิตรงนี้เนี่ยทำให้เกียรติของท่านน บ, บีสุลต์ละซัลลัมตกต่ำลงไปหรือไม่ไม่ไม่เลยนะครับการตำหนิตรงนี้เป็นการสอนท่านนาบีเองหลังจากนั้นนะครับรายงานในฮะดิษนี่บอกว่า ทุกครั้งที่ท่านนาบีเจอชายคนนี้พอโดนอัลลอฮ์ตรอาลาตำหนิในนี้ก็มีพูดเขาบอกว่าอะไรนะเพราะเหตุนี้ท่านจึงได้รับการตำหนิจากอัลลอ์ด้วยองค์การดังกล่าวและองค์การที่ต่อเนื่องกันไปอีกแปดองค์การด้วยกันหลังจากนั้นแล้วท่านนาบีก็ได้ให้เกียรติแก่เขาและต้อนรับเขาตลอดจนคอยถาม ถ, ามถึงเขาอยู่เสมอสุบฮานะัลอและเมื่อได้พบเขาท่านก็จะกล่าวว่า ขอต้อนรับผู้ที่พระเจ้าของฉันได้ตําหนิฉันเนื่องจากเขาอแต่ท่านนาบีก็จะถามเขาว่าท่านมีความต้องการอะไรจากฉันบ้างไหมเห็นไหมครับเปลี่ยนเลย ห, หลังจากนะั้นเนี่ยเพราะเราแต่ตาลาสอนแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับเวลาที่โดนตนําหนิคนที่ฉลาดหนึ่งจะต้องยอมรับคําตําหนิเพื่อเอาไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ไม่ใช่ว่าพอโดนตาหนปิปุ๊บรับไม่ได้เวลาเขาสอน ครับไม่ได้โดยเฉพาะคนที่เป็นระดับระดับสูงๆหน่อยนะระดับผู้นําหน่อยอะไรอย่างเงี้ยระดับโต๊ะครูระดับอาจารย์เนี่ยโดนตำหนิไม่ได้เลยอ่าเดี๋ยวโดนสวนกลับทันทีนะครับระดับท่านนาบีสุลต่าละฮะอะลัยวะสันลามนะครับไม่ใช่โต๊ะครูธรรมดาธรรมดาว่าแต่ละตาหนิยอมรับยอมรับต้วยดีทําผิดนะครับหลังจากนั้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วกลับมาเป็น สุดยอดไปเลยนะครับให้เกียรติกับอัลลอฮ์อิบเนอิมมาตุมอย่างที่สุดเลยอัลลอฮ์ต้าลาถามต่อไปว่าว่ามายุดุรีกาละอัลลอฮุยักกะสิ่งใดเล่าที่ทําให้เจ้ารู้ว่าเขาเนี่ยคนตาบอดคนนี้นะครับที่มาหาเจ้าเนี่ยที่เจ้าหันหลังให้เนี่ยที่เจ้าหน้าบูดให้เนี่ยละอัลลอฮุยจักกะบางทีเขาอาจจะขัดเกลาตัวเองหมายถึงว่า รับศรัทธาละทิ้งบาปละทิ้งกูฟอร์ของเขาแล้วก็เป็นมุมลิมแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะสุดท้ายดูล้วนี่มักจมก็รับอิสลามนะครับอา้ายจะจักการูฟตันฟะฮุซิกรอหรือได้ระลึกนะได้รับคำแนะนำคำตักเตือนแล้วคำแนะนำตักเตือนนั้นก็จะเป็นประโยชน์แก่เขาพี่น้องครับการที่จะเป็นผู้ศรัทธา การจะเป็นคนดีการจะเป็นคนที่ได้รับเกียรติจากอัลลอฮฺสุบัยน่าจัลลาเนี่ยไม่ีอะไรเป็นเกณฑ์ความจนตัวนีเน้เป็นกฎเป็นกฎเกณฑ์ตัววัดด้วยหรือไม่มีครับตำแหน่งสูงตำแหน่งต่ําคนระดับวีไอพคนระดับธรรมดาเนี่ยเป็นตัวชี้วัดด้วยหรือว่าคนคนนี้ยพอเป็นพอเป็นคนระดับสูงเนี่ยอ่าจะต้องได้รับเกียรติจากอัลลอฮฺสุบัยน่าจัลลาในขณะที่คนธรรมดาคนกวาดขยะคนเก็บขยะเนี่ย ไม่มีเกียรติตรงนี้ใช่หรือเปล่าครับไม่เกี่ยวไม่ใช่ว่าคนธรรมดาที่มาขอเรียนกับเราที่มาขอคําคําคำอะไรนะคําแนะนําจากเราเนี่ยจะเป็นคนดีไม่ได้คนที่เราผลักไสไม่จำเป็นว่าจะ ต, ต้องเป็นคนชั่วตลอดไม่ใช่อันนี้เป็นการสอนที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็สอนไม่ใช่สอนเฉพาะท่านนาบีมุฮัมมัดอย่างเดียวนะสอนประชาชนาของท่านด้วยสอนบรรดาพวกเราทุกคน ไม่ให้ดูถูกคนที่เราคิดว่าเขานั้นเป็นคนต่ำต้อยใช่ไหมครับสุร์ดุฮาเราเรียนหร้อย่างเรียนแล้วนสุรุฮาวัดุฮาวไลลีอิะจ่ที่อัลลอตฺอลาลลห้ท่านนนบีนั้นดูถูกเด็กกำพร้าสุรห์อรออัยเราก็เรียนแล้วที่อัลลอฮฺอลัลอห้ามไม่ให้เราดูถูกบรรดาคนยากจนอิสลามนีอัลลออักบัดละเอียดอ่อนในเรื่องนี้มาก ความเสมอภาคในอิสลามเนี่ยถ้าเราจะอธิบายเนี่ยพูดแล้วละอายเพราะหาเจอในความเป็นจริงเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมันหาน้อยอะ่ะมันหามันหามันคือมันเจอได้น้อยมากในสังคมเนี่ยมันยังมีความเหลื่อมล้ําในเรื่องพวกนี้กันอยู่ไม่ใช่เฉพาะในสังคมทั่วไปแม้แต่สังคมมุสลิมกันเองเนี่ยก็ยังมีความเหลื่อมล้ํากันในเรื่องพวกนี้นะครับคนที่ต่ํากว่าเราหน่อยในความรู้สึกของเรานะครับเราก็ เฉยๆกับเขานออฮุบิลลมนจะอจะทำยังไงเพื่อที่จะมาช่วยกันนะครับปรับเปลี่ยนทัศนคติของเราในเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะว่าเกียรตนอัลลอสุบานาะสาละคนที่จะรับศรัทธาคนที่จะได้เข้าสวรรค์เนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นระดับว i p อพเท่านั้นคนระดับวีไอพีนำซ้ำมีในฮะดิษบางฮะดิษที่บอกว่าบรรดาคนที่จะได้เข้าสวรรค์ก่อนเพื่อน หรือคนที่ได้เข้าสวรรค์จำนวนมากกว่าเพื่อนก็คือบรรดาคนที่อบดุอาฟะคนที่อ่อนแอคนที่เข า, าเรียกว่ายากไรคนที่ได้โอกาสคนที่ดูดสิบรรดาผู้ที่ติด ต, ตามท่านนบีสุลตานสซลลัมในช่วงแรก คนที่ศรัทธาต่อท่านนบีสุลต่านในขณะที่ท่านพยายามอย่างมากในการที่จะให้พวกระดับอุเออของปุเรชเนี่ยรับอิสลามถามว่าระดับอุเออที่รับอิสลามมีกี่คนนัดดั้งฮัมจะอับบาสใครอีกอับบาสก็รับช้าแล้วไม่ได้รับระดับใหญ่ๆหญ่อุเออตอนที่ท่านนบีด่าวาทิมักการไม่กี่คน ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่พวกที่เป็นทาสพวกที่เป็นคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าความศรัทธานเนี่ยเลือกชั้นเลือกระดับชั้นด้วยระวังให้ดีนะครับบางทีเราถ้าเราเข้าใจผิดในเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เราเขาเรียกว่าแอคชั่นของเราเนี่ยผิดไปจากเจตนาลมของอลัทธิศาสนาเพราะฉะนั้ น, ล, นลัาธิศานาก็เลยกาชับ สัมทับตักเตือนท่านนบีสุลต่านว่าไม่ใช่ว่ามายุดรีกาละัลลัหูยัจักกะเจ้าไม่รู้หรอกว่าใครจะเป็นผู้ศรัทธาไม่ใช่ว่าเลือกคนคนนี้มาชะขอรับอิสลามเอ้ยไม่เอาดีกว่าคนนี้ไม่น่าจะมีประโยชน์ไม่ต้องมารับอิสลามไม่ต้องมาฟังฉันไม่ต้องมาเรียนกับฉันไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครที่จะได้รับบทเรียนได้รับการ คำแนะนำแล้วก็เป็นเป็นประโยชน์จากเขาอัมมาณิสตัคนาฟอันเละหูทสจ์ยังไม่จบนะครับกระบวนการที่อัลลอฮฺวาลากํกำลังสั่งสอนท่านนาบีของเราสุลตัลลอฮของเราสำหรับอัมมาิสตันาส่วนผู้ที่พอเพียงแล้วคำว่าพอเพียงแล้วตรงนี้เนี่ยคำว่าพอเพียงตรงนี้มีการอธิบายนะครับว่า و و บ م ا ันอารดาคนที่รวยพอเพียมมถึงว่าคนที่มีทรัพย์สินอย่างมากมายแล้วเป็นคนที่รวยหรือเอาอิสตอนอามมหรือมีความรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องศรัทธาไม่จำเป็นต้องเรียนกับเจ้าโอ้มหัมมัดใครครับ ก็ค <ento> ือบรรดาพวกโคเรชนะครับบางรายงานนี้บอกระบุชื่อด้วยบางรายงานนี้ระบุชื่อด้วยอย่างเช่นในรายงานของออชนะครับรายงานของของอานัสรายงานของอานัสว่ว่า عن أنس قال جاء ابن أم مكتوم وهو ي ك ل อิบนูอมีมักทูมหมายถึงอับดุลลอฮ์ชายตาบอดที่ชื่ออับดุลลอฮ์อิบนู ม, มักทูมเนี่ยมาหาท่านนบีสุลตลานในขณะที่ท่านกําลังพูดอยู่กับอูเบนเบนคาลัฟซึ่งเป็นหัวโจกชาวมุสริกีนคนหนึ่งนะครับเป็นคนรวยเป็นคนมีตําแหน่งเป็นคนที่ไม่อยากจะศรัทธาเป็นคนที่ไม่ยอมรับท่านนบีสุลล่านเนี่ยเฝอันตลลจลาหูตะซัดจะเจ้ากลับให้การต้อนรับเขาอัลลอฮฺ เหมือนกับว่าคนที่ไม่ต้องการเนี่ยไปตื้อเขาทำไมไปตื้อทำไมตื้อทำไมเขาแค่บอกให้จบๆบก็พอหรือแค่ตัดสินนะแค่บอกให้รู้แค่ดะวะเพลินๆไม่จำเป็นต้องไปตัดสินว่าว่ามา عليك ألا يزكك ว่ามา عليك ألا يزكك Allah t a าลาบอกว่า และย่อมไม่เป็นความผิดแก่เจ้าในการที่เขาไม่ขัดเกลากหมายความว่าถึงเจ้าจะเตื้อแค่ไหนสุดท้ายคนคนนั้นนี่ไม่ศรัทธาเนี่ยถามว่าเจ้าผิดไหมไม่ผิดเพราะหน้าที่ของเจ้าเนี่ยหน้าที่ของท่านนาบับดุลเบมันก็คืออินอะไลกะอิ ล, ลัลบลาอบอกให้รู้บอกให้ถึงบอกให้ทราบพอบอกให้ทราบแล้วเนี่ยไม่ต้องไปขยันขยอเหมือนกับนะนี่เอา ไปคือพยายามมากที่จะจนกระทั่งคนอื่นนะที่อัลลอตะลาบอกในอายะฮ์ต่อไปว่าอัมา ม, มันจาอกคยสัสอคนอื่นนี่มาหาแล้วต้องการเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยวะฮฺ ว, วยะยักษอเช่ ف أ ن ت เจ้ากลับไม่สนใจเพราะไปขยันขยอคนที่ไม่ต้องการเยอะเกินไปในขณะที่นะคนที่ต้องการรับอิสลามนี่เจ้าไม่สนใจ เราไม่มีประโยชน์เลยที่ไปขยันขยอไปตื้อคนที่ไม่ยอมรับอิสลามเนี่ยผิดก็ไม่ผิดประโยชน์ก็ไม่เกิดในขณะที่มีคนอื่นต้องการนับอิสลามอยู่ตอนหน้าเจ้าแล้วเนี่ยเจ้ากลับไม่สนใจทําไมละ่ะนี่คือการที่อัลลอฮฺสุบฮฺไพร์เราจัาลลอฮฺสัมมิท่านนาบีมูฮัมมัดสะละละละุลลฺลลอฮฺม่าอาเลาะซัลลัมและสอนท่านให้ท่านได้คิดนะครับว่าการที่เราจะด่าว่าเราจะเชิญชวนให้ใครเป็นคน Hmm. ที่กลับไปหาอัลลอสุบฮานตาลาสักคนเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเลือกเอาเฉพาะคนที่เราคิดว่าเออถ้าเขามาแล้วเนี่ยน่าจะดีกว่านเราจะได้เรียกว่าอะไรนะเชิดเชิดหน้าชูตาพักพวกนะเป็นพักพวกของเราเนี่ยเราจะได้เชิดหน้าชูตาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอัลลอฮฺว่าว่าว่าอัลลอฮ ا มันจะอัคยัสอาส่วนผู้ที่มหาเจ้าด้วยความอุตสาหะยัสอา ไม่ใช่มาแบบธรรมดาธรรมดาคนตาบอดนะถ้าคนตาดีนี่ว่าไปอย่างคนตาบอดเนี่ยกว่าจะมาถึงเนี่ยต้องต้องใช้ความพยายามในคัางเดินมานะอัลลอักบัรมาด้วยความพยายามวะหัวยักชะแล้วมาด้วยใจที่เกรงกลัวลาาักษาลามาด้วยความเต็มที่จริงๆซะอันซะอันซะอันหุตาละฮเจ้ากลับทำเป็นไม่สนใจไม่ว่าง นะทำเป็นไม่อยากจะใหญ่ดีกับเขาด้วยนะครับคือส่วนผู้ที่มาหาเจ้าด้วยความอุตสาหะด้วยความบาปเพราะเป็นคนตาบอดนะเพื่อมาแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้อยู่ในแนวทางแห่งพระเจ้าของเขาเนื่องจากมีความเกรงกลัวพระองค์นั้นเจ้ากลับทําเป็นไม่ว่างที่จะให้การต้อนรับและให้ความรู้แก่เขาพี่น้องครับเคยมีเหตุการณ์แบบนี้กับเราไหมนะเพราะฉะนั้น บทเรียนอะไรบ้างที่เราสามารถถอดได้จากเรื่องที่เกิดขึ้นกับอัลลอฮ์อิบนอหมีมักจูกับท่านนาบีสุล ล, ลัลลอเราสัตในชีวิตของเรานะครับอย่าละเลยคนระดับล่างๆอิสลามต้องการให้เรานั้นเป็นคนที่ เ, เป็นมือบนมากกว่าเป็นมือล่างนะถ้าเรารู้จักคบแต่คนระดับสูงๆแสดงว่าเราเนี่ย อาจจะเป็นเป็นคนมือล่างนะคอยให้คอยรับความช่วยเหลือจากคนระดับวี p อย่างเดียวแต่เราไม่เคยให้ความช่วยเหลือกับคนข้างล่างต่ํากว่าเราเป็นคนมือบนนะครับนี่คือลองถอดบทเรียนออกมาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราในแต่ละวันว่าเราสามารถเอาอายัด ต, ต่างๆเหล่านี้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปเป็นแนวปฏิบัติในการใช้ชีวิต ในการทำอาหากินของเราในการอยู่ร่วมกันในสังคมของเราในการดูแลลูกบ้านเราในการดูแลสมาชิกในในหมู่บ้านในสุเราห์เราเนี่ยให้เกิดความสมัครสมานสมัครใในการเอาใจใส่ผลได้โอกาสเหล่านี้อย่างไรนะครับเป็นสิ่งที่น่าคิดมากเพราะว่าอัลลอฮฺสุบัยนาะจ่าละในคัมภีร์ของพระองค์ในอัลกุรอานของพระองค์ลายสุราห์แล้วที่เราเรียนแม้แต่สุราห์สั้นๆในยุจุ30เนี่ยเราก็เห็นภาพชัดเจนว่า ศา ส, สนาอิสลามเนี่ยความงดงามของมันเนี่ยมันซ่อนอยู่ในเนื้อหาเหล่านี้แหละทุกวันนี้นี่เราเห็นคนในศาสนาอื่นเนี่ยมีองค์กรต่างๆที่ให้การสงเคราะห์คนได้โอกาสเยอะมากแต่เราไม่เคยเห็นไม่ค่อยเห็นองค์กรของมุสลิมที่ให้โอกาสหรือว่าให้การสงเคราะห์สังคมสงเคราะห์แก่คนได้โอกาสเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเราต้องไปหามูลนิธิอะไรนะ กุศลแลรรมมูลิติเอ อ, อะไรอีกของเขาเนี่ยเวลามีสารเจ้าต้องมีมูลิติแบบนี้ทันทีเลยของเราเนี่ยหายากนะสุเหร่าและมีมูลิติทั้งทั้งที่ของเราเนี่ยมีระบบในอิสลามเรียบร้อยแล้วมีระบบสา ก, กาดนะรวบรวมสา ก, กาดมาแล้วก็เนี่ยใช้เรื่องยนี้โดยเฉพาะเอ๊ะทำไมมันไม่มีทําไมมันไม่มีกองทุนสา ก, กาดประจําสุเหรา่า ทำไมมันไม่มีกองทุนช่วยเหลือผู้ได้โอกาสประจำสเราไ ม, ไม่ไม่มีมม <c oughs> อะไรนะฝ่ายสังคมสงเคราะห์มันไม่มีระเบียนเด็กกำพร้าไม่มีระเบียนเด็กได้โอกาสไม่มีระเบียน อ, อะไรเขาเรียกคนยากจนที่สามารถรับสาักาะได้น่าคิดนะครับเพราะว่าสุภาโรบางที ไม่รู้สาเหตุเป็นเพราะอะไรแต่เท่าที่เห็นนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีบ้างแต่ว่าไม่เยอะตามตามตามจังหวัดแถวแถวสามจังหวัดก็มีบ้างแต่ก็ไม่เยอะเหมือนกันยังสู้ของเขาไม่ได้นะครับาตามตามเมืองหลวงก็พอจะเห็นบ้างแต่ถ้าเป็นที่ต่างประเทศเนี่ยก็จะโอเคทำดีละต่างประเทศโดยเฉพาะที่เป็นประเทศมุสลิมประเทศมุสลิมเองเนี่ก็จะมีเยอะพอสมควรประเทศซาอุดีคคคเคยเคยไปสัมผัสมา nek, นะครับประเทศต่างๆเนี่ยประเทศอาหรับเนี่ย เขาจะมีความกระตือรือร้นในเรื่องเหล่านี้อาจจะเป็นเพราะเราไม่มีการอนุรุมก็เป็นได้นะครับเราไม่ค่อยมีการพูดไม่ค่อยมีคนที่มานาเสนอแนวคิดแล้วก็มาช่วยจัดการให้กับเราไม่มีคนที่สามารถบริหารจัดการเรื่องเหล่านี้มันก็เลยทำให้สังคมของเราสังคมมุสลิมของเรานั้นขาดหายเรื่องดีๆและเหล่านี้ไปอย่างน่าเสียดายแต่ผมก็สนับสนุนนะครับถ้าว่าเราจะทำจริงๆเราจะเริ่มกันยังไง เริ่มด้วยการพูดคุยปรึกษาหารือก่อนดีไหมนะครับเพราะทุกปีเนี่ยเรารับปอยู่แล้วนะครับอากาศในช่วงรามบาอลซอดัดดักรกอะไรต่างๆเนี่ยช่วงวันศุกร์เราก็มีการนะครับต่างๆนานามากมายถ้าเราทําให้มันเป็นระบบสักนิดหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับลองดูลองปรึกษาหารือดนะูไม่จําเป็นนะครับว่าสู่เราไหนก็ได้นะครับที่ไหนที่มีศักยภาพเนี่ยน่าสนับสนุนเขา ครับไม่ใช่ว่าสุราเราทําไม่ได้ก็ไม่ต้องไปสนับสนุนคนอื่นไม่ใช่นะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของสุรานะเป็นเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของอิสลามเป็นเรื่องของสังคมมุสลิมสุราของเรายังไม่มีศักยภาพที่จะทําได้มีสุราอื่นที่คิดจะทําเราก็ไปสนับสนุนเขาก่อนได้ไม่มีปัญหานะครับสนับสนุนทั้งแรงกายแรงใจแรงทรัพย์พลังใจอะไร <m> ก็ว่ากันไป <m> ให้มันมีก่อนเทศกาลนะครมันเป็นเป็นหน้าตาของสังคมใน ในมุกเข็บในจังหวัดเราก็ยังดีนะครับให้มันเห็นว่าเอออิสลามเนี่ยรอบด้านจริงๆและเขาก็มีความรู้สึกเชื่อมั่นมีความรู้สึก อ, อดีๆกับอิสลามด้วยไม่ใช่เวลาที่ดูอิสลามแล้วโอ้สายหัวทุกครั้งอันเนี้ยน่าน่าสมเพศนะครับหรือว่าน่าสงสาระไม่ใช่สมเพศอาจจะเป็นคําที่แรงไปนิดหนึ่งอาจจะเป็นอะไรที่น่าคิดสําหรับพวกเราทุกคน นะครับมาช่วยกันขอดวอานะครับให้สิ่งดีๆเนี่ยเกิดขึ้นทีละอย่างทีละอย่างไม่จําเป็นว่าเออต้องเกิดมาทีเดียววันเดียวปีเดียวเนี่ยเกิดมาสิบอย่างบางทีมันก็ยากที่จะทำนะครับค่อยๆทําไปทีละอย่างทีละอย่างไปอิชอัลลอฮ์นะครับขอดวอาอิชอัลลอฮ์มาอัลละห์ให้ประทานเอาฟิกและวารักัตกับพวกเราทุกคนในสิ่งที่พวกเราได้พยายามสนับสนุนสิ่งที่ดีๆทั้งหลายอิชอัลลอฮ์สุภาพสัลลาห์สำหรับค่ำคืนนี้ก็ไวเพียงแค่นี้ก่อนนะครับชูพานอัลลอฮ์ชูพานกำลังดิค กระชับแลเอเละรักอัลลอฮฺเบีย ل ์ไลซุลล ا ฮฺอานบิอู ع ฺมุฮัมมัด ﷺ สลามัยกุมารุตุลลอฮฺอ